และสาขาที่สองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิเ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามตัวจันนี่ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอิงริชอาราวูดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาฏจีนศรี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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอิงลิชเราอยู่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระใจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีด้วยระบบ FM ความถี่แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์สต์เคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชนะจีนสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวัน แล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่สามเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้เรายการอังกฤษอาราโยของเรานะคะนำเคล็ดลับนะคะคำนวณการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ บทสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียนนั่นเองค่ะในห้องเรียนนะคะ่ะเราก็จะใช้คำศัพท์ว่า in the classroom in the classroom ในห้องเรียนนะคะเราก็จะมีประโยคสนทนาทั้งกับเพื่อนนะคะและบทสนทนากับคุณครูนะคะเราจะมีประโยคถามตอบอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ประโยคแรกกันเลยค่ะ ประโยคแรกนะคะที่เราเนี่ยจะได้ยินในห้องเรียนนะคะประโยคนี้นะคะคุณครูนะคะหรืออาจารย์เนี่ยนะคะอาจจะถามเราในห้องเรียนว่า are you ready to learn are you ready to learn นะคะก็คือคุณเนี่ยพร้อมที่จะเรียนไหม are you ready to learn นะคะคำตอบนะคะเราก็ถาม are you นะคะตอบนะคะนักเรียนก็ตอบกลับคุณครูว่า yes i am yes i am และอีกหนึ่งประโยคคำถามนะคะที่คุณครูนะคะหรือว่าผู้สอนจะถามได้นะคะก็คือ Where is your book Where is your book อันนี้นะคะจะเป็นลักษณะการถามนะคะถามถึงสมุดนะคะหรือว่าหนังสือของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะและนักเรียนเนี่ยอาจจะตอบได้นะคะว่า It's on my desk It's on my desk ตรงนี้นะคะก็จะมีความหมายว่ามันอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือของฉันเองค่ะอีสอนนะคะคือมันอยู่บนนั่นเองค่ะ my desk แปล ว, ว่าโต๊ะเรียนนั่นเองค่ะค่ะอีหนึ่งประโยคนะคะ do you understand do you understand นะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ถามนะคะนักเรียนว่าคุณเนี่ยเข้าใจไหมนะคะถ้าเราเข้าใจนะคะเราก็ตอบนะคะ yes i do นะคะความหมายก็คือฉันเนี่ยเข้าใจค่ะ ค่ะและคำถามต่อมานะคะอาจจะเอาไว้ใช้ถามเมื่อคุณครูเนี่ยอธิบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วนะคะและเพื่อความแน่ใจว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนสอนไปนะคะคุณครูหรือผู้สอนเนี่ยอาจจะถามว่า do you have any questions Do you have any questions นะคะอันนี้ก็จะมีความหมายว่าพวกคุณเนี่ยมีคำถามไหมมีคำถามหรือเปล่านะคะประโยคคำถามนี้ใช้ดูนะคะใช้ดูเป็นกริยาช่วยในการถามลักษณะคำตอบเนี่ยก็จะใช้ดูในการตอบเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยไม่มีคำถามอื่นใดนะคะเขาก็จะตอบรับว่า No I don't No I don't นะฮะก็คือสอดรับกันนะฮะ No แล้วก็ I don't แต่ถ้าเกิดว่ามีนะคะมีคำถามนักเรียนก็จะตอบว่า Yes I do นั่นเองค่ะ Yes I do ค่ะคำถามต่อมานะคะมันแปลว่าอะไรนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรนะคะเราจะใช้คำถามว่า What does it mean by that What does it mean by that ก็คือมันแปลว่าอะไรคะ และอันนี้นะคะจะเป็นการขอร้องนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยอาจจะถามผู้สอนนะคะขอร้องให้ผู้สอนได้พูดซ้ำหรือว่าอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะเขาก็จะขอร้องนะคะด้วยประโยคที่ว่า Could you repeat、it? Could you repeat a thing ค่ะความหมายก็คือคุณช่วยการุณาพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งได้ไหม ถ้าเกิดผู้สอนนะคะตอบรับนะคะว่าได้เขาก็จะตอบว่า yes i can yes i can ค่ะบทสนทนาตัวอย่างนะคะที่เราจะมาฝากท่านผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะคะค่ะจะเป็นบทสนทนานะคะที่เกี่ยวกับนะคะการพูดเรื่องวันนะคะแล้วก็วันทีค่ะ เรามาดูที่ประโยคแรกกันนะคะถ้าเราจะถามว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรนะคะหรือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะใช้คำถามว่านะคะ What's the day today? What's the day today? ก็คือวันเนี้ยเป็นวันอะไรนะคะแต่ถ้าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะนะฮะแต่งประโยคว่า What's the date today? What's the date today? ก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ หรืออีกลักษณะหนึ่งนะคะอาจจะใช้แทนคำถามที่คุณช น, นาธิ์ให้ไวเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะ What day is it today? What day is it today? ความหมายของคำถามนี้นะคะก็คือวันนี้วันอะไรคะ่ะหรือถ้าอยากทราบว่าวันที่นะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะเปลี่ยนจากคำว่า day นะคะ date date ก็จะได้ประโยคคำถามว่า what date is it today what date is it today มีความหมายว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหรค่ค่ะค่ะคำถามต่อมานะคะถ้าเราจะถามว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรใช่ไหมนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ใช่ไหมนะคะเราก็จะแต่งประโยคนะคะเป็นภาษาอังกฤษว่า it's Monday today Is it Monday today ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันจันใช่ไหมก็คืออยากจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะ่ะค่ะแต่ถ้าอยากทราบว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันอะไรนะคะเราก็จะถามว่า What day yesterday was What day yesterday was เนี่ยเองค่ะมีความหมายว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันอะไรตรงนี้นะคะมีการใช้ worth to be นะคะเป็นรูปของอดีตนะคะสอดคล้องกับคำว่า yesterday นั่นเองค่ะ what day yesterday was นั่นเองค่ะค่ะถ้าเรานะคะจะนะคะบอกคนอื่นว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพุธนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าว น, นี่เป็นวันพุธนะคะเราก็จะใช้ประโยคให้ง่ายว่า today is Wednesday today is Wednesday ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันพุธค่ะ ค่ะถ้าเกิดอยากจะบอกให้ผู้อื่นทราบนะคะว่าวันนี้นะคะคือวันที่สองพฤศจิกายนนะคะเราก็จะแนะนำวันที่ว่า today is november second today is november second ตรงนี้นะคะจะมีการใช้เรื่องของลำดับที่นะคะเข้ามาช่วยนะคะเราจะไม่ได้พูดว่า november two นะคะเราจะใช้เป็นลำดับนะคะ ลำดับที่สองก็คือ second second นั่นเองค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ today is november second มีความหมายว่าวันนี้เป็นวันที่สองพฤศจิกายนค่ะค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจต่อมานะคะถ้าเราจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ห้าสิงหานะคะแต่เราเนี่ยจะเปลี่ยนโดยการพูดโดยการนำวันขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเดือนค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ it's the fifth of August it's the fifth of August ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ห้าสิงหาคมค่ะค่ะหากเป็นประโยคเกี่ยวกับอย่างเช่นนะคะวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้มรืนนี้นะคะและวันที่ผ่านมาหรือภายในวันเวลานี้นะคะสามารถใช้ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษดังที่จะนำเสนอต่อไปนี้ได้ค่ะ อย่างเช่นนะคะถ้าจะบอกว่าเมื่อวานซื้อนะคะเราก็จะพูดว่า the day before yesterday the day before yesterday ค่ะถ้าเป็นคำศัพท์เมื่อวานนี้นะคะเราก็จะใช้คำศัพท์นะคะว่า yesterday yesterday ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นะคะ today นั่นเองค่ะแต่ถ้าวันพรุ่งนี้นะคะ tomorrow tomorrow แต่ถ้าเป็นมะรืนนี้นะคะจะใช้ว่า the day after tomorrow The day after tomorrow ค่ะถ้าเราจะบอกคนอื่นว่าเป็นวันก่อนนะคะวันก่อนก็คือเราจะใช้ว่า the or today the or Thursday แบบว่าวันก่อนค่ะค่ะถ้าจะบอกภายในสองสามวันนี้นะคะเราก็จะพูดว่า in a few days in a few days ค่ะถ้าเราจะแต่งประโยคว่าหลังจากนี้ประมาณสองถึงสามวันนะคะหลังจากนี้ประมาณสองถึงสามวันเราก็จะใช้ว่า after a few days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 เดี๋ยวเราจ้ายท่านผู้ฟังพักฟังเพลงเพราะพอต่อศรรษณานี้แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามฝันกันให้ได้นะคะสำหรับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโรยีราชชั่วโมงคนทันยิบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT Moving Towards Innovative University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 Sam Sam ゲームセンスです。You're real.Pipitapanbua <im> Mahaviti ง e l a i Techno Yurachamon k <im> o n <itation> t a n j i b ง r i Languanru, l a n g t o ร g Teaching Anurak, Tidado Room Saipanbua Markwaning Roy Saipan, Tangbua Pantai Haiyag, Bua Tang Prate, Bua Lupa Som, Room Tungbua Saipanmai, Lapanbua Teaching Akabrakur, n ี v e t i Redabloke, Eat Markmai, b u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 I moving Innovative University am towards UTT クラッパーポケンポーネシューンティーソンコンドライガン、エンリシャラウユー、イランナカー、タンクルンフェンパーセットカーメガハース、サタニウィタโー、マハウィティアライテクノロジบラรีンコื<音楽>่นเทคโนโลยีเพジ่อคุณภาพชีวิต ในช่วงที่สองของรายการนะคะเรานำตัวอย่างประโยคนะคะการถามวันและวันที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะฝากมือฟังกันค่ะค่ะถ้าเราอยากจะทราบนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอะไรนะคะคุณรู้หรือเปล่านะคะเราจะถามว่า what's the day tomorrow what's the day tomorrow do you know do you know ค่ะประโยคต่อมานะคะจะเป็นการถามว่าคุณทราบไหมว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่ คุณทราบไหมนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เราก็จะใช้ประโยคว่า Do you know what day tomorrow will be Do you know what day tomorrow will be ก็คือคุณทราบไหมพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหรค่ค่ะและถ้าเราทราบนะคะอย่างชัดเจนเราก็จะตอบอย่างหนักแน่นนะคะว่า Sure Sure ก็คือแน่นอนนะคะและตามด้วยประโยคนะคะ I know Sure I know นะคะแน่นอนฉันรู้อยู่แล้ว และตามด้วยการบอกวันที่ได้เลยค่ะก็จะเป็นลักษณะการใช้ประโยคในอนาคตนะคะ It will be the 31st of August อีกหนึ่งครั้งนะคะ It will be the 31st of August มีความหมายว่าก็พรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่31สิงหาคมไงล่ะ ค่ะประโยคต่อมานะคะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า there are seven days in a week there are seven days in a week ค่ะถ้าเราเจอหน้าใครเจอหน้าอาจารย์นะคะและอาจารย์นะคะอาจจะให้พูดเรื่องราวนะคะว่ากิจกรรมวันนี้ที่เราทำไปแล้วนะคะเราทำอะไรไปบ้างถ้าเราอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ย ตัวเราเนี่ยตื่นเจ็ดโมงเช้านะคะเราก็อาจจะบอกว่า today i woke up at seven a.m. today i woke up at seven a.m. นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่ใช้ในรูปอดีตนั่นเองค่ะ i woke up นะคะเป็นกริยาช่องที่สองของ i wake up เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้วค่ะมีความหมายว่าวันนี้ผมตื่นเจ็ดโมงเช้านั่นเองค่ะ ค่ะประโยคต่อมานะคะถ้าเราจะบอกนะคะคนอื่นว่าเนี่ยอีกประมาณสี่สัปดาห์เนี่ยฉันเนี่ยก็จะเรียนจบแล้วนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า I finished school in four weeks I finished school in four weeks ก็คืออีกสี่สัปดาห์เนี่ยฉันเนี่ยจะเรียนจบแล้วค่ะต่อมานะคะอยากทราบนะคะว่าคนที่เราสนทนาด้วยอยู่นั้นเนี่ยเขาไปที่ไหนมานะคะเมื่อปีที่แล้ว เราก็จะถามเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะว่า Where did you go last year? Where did you go last year? Where did you go? นะคะตรงนี้เป็นรูปคำถามแบบอดีตนะคะว่าคุณไปที่ไหนมานะคะและมีส่วนขยายในเรื่องของเวลานะคะ last year นะคะ last year <c oughs> ก็คือปีที่แล้วนั่นเองค่ะ Where did you go last year? ปีที่แล้วคุณไปที่ไหนมานั่นเองค่ะค่ะ ส่วนคำตอบนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะที่ถามว่ า, เ ม, เ, าเมื่อปีที่แล้วคุณไปไหนมานะคะเราก็อาจจะตอบว่าปีก่อนเนี่ยได้ไปประเทศเกาหลีมานะคะเราก็จะใช้คำตอบว่า、uh, last year I went to Korea last year I went to Korea ก็คือปีก่อนเนี่ยฉันได้ไปประเทศเกาหลีมาะคะ่ะ ค่ะและจะถามเป็นอนาคตก็ได้นะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยคุณจะทำอะไรนะคะมีแผนที่จะทำอะไรเราก็จะถามว่า what are you going to do next month what are you going to do next months อันนี้ก็จะเป็นการถามลักษณะแบบใช้ be going to นะคะถามถึงอนาคตที่มีการวางแผนไว้นั่นเองค่ะและขยายด้วย next month next months ก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะ What are you going to do next month เดือนหน้าคุณจะทำอะไรคะค่ะตัวอย่างคำตอบนะคะ next month เดือนหน้าเหรอ I will visit my mother I will visit my mother เดือนหน้าเหรออ๋อฉันน่าจะไปเยี่ยมแม่ของฉันนั่นไงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวคำตอบได้คะ่ะค่ะถ้าเกิดเราอยากจะขอร้องนะคะให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยบอกเรานะคะว่า ที่บริษัทเนี่ยเขาจะประชุมเมื่อไหร่นะคะเราจะถามว่า Can you tell me when the company's meeting is อีกหนึ่งครั้งนะคะ Can you tell me when the company's meeting is มีความหมายว่าคุณช่วยการุณาบอกผมหน่อยได้ไหมว่าการประชุมของบริษัทนั้นมีขึ้นเมื่อไหรค่ค่ะค่ะเราก็อาจจะต่อไปนะคะว่า การประชุมบริษัทนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่12มีนานะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า it begins นะคะก็คือมันเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะ it begins on march the 12 th อีกหนึ่งครั้งนะคะ it begins on march the 12 th นะคะความหมายก็คือเนี่ยมันเริ่มนะคะตั้งแต่วันที่12มีนาคมแล้วค่ะต่อมานะคะถ้าเกิดเราอยากจะทราบนะคะว่าวันสิ้นสุดการประชุม น, นั่นอะ มีเมื่อไรนะคะเราก็จะถามต่อนะคะว่า when will it be finished when will it be finished มีความหมายว่าแล้วจะจบลงจะเสร็จสิ้นเมื่อไรล่ะค่ะเมื่อมีคนถามเรานะคะว่ามันจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะคะเราก็อาจจะใช้คำตอบว่า it will be finished on นะคะก็ใส่ใส่เดือนแล้วก็วันไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง it will be finished on march The twenty fourth นะคะก็คือมันเนี่ยจะเสร็จในวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมอีกหนึ่งครั้งนะคะ It will be finished on March the twenty fourth ก็คือมันเนี่ยจะเสร็จในวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมวันนี้ก็เป็นแนวคำตอบที่เราจะสามารถตอบได้นะคะถึงวันเวลาที่จะเสร็จสิ้นค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนบ ท, บทสนทนาภาษาอังเกฤษนะคะในเรื่องของวันเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวดิฉันเจะเป็นเอนะคะแล้วคุณชนนกน่าจะเป็นบีนะคะก็จะเริ่มต้นที่ว่า excuse me what is the day today นะคะ excuse me what is the day today ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหรค่ค่ะ today is the twelve today is the twelve ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สิบสอง ะแล้วอยากยืนยันอีกท่ gebru กตร Kos te เพื่อความมั่นใจนะคะว่าวันนี้เป็นวันทยาฐ ifier ส Veranie ใช่ไหม cioè ทามว่า그런ว่า God is yoga today is Thursday isn't it, today is Thursday, isn it นะคะก็จะมีความหมายว่า One day is genit วันนี้เป็นวันประรื่อยหัดส Ameri ใช่ไหมคะคำตอบนะคะ No it isn't performer לא� cleanse Nokia pandemic เครา любви โทษก็คือไม่ใช่นะวันนี้เป็นวันสุขแล้วอาจจะ cole antique แสดงท่าทางว่าจริงเหรอนะคะก็คือเราจะถามว่าเรียลลี่นะคะเรียลลี่จริงเหรอคะโอ้、oh, thank you very much นะคะ thank you very much ก็คือขอบคุณมากนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างบทสนทนาที่สองนะคะเกี่ยวกับการถามคำถา ม, ถา ม, ถามเรื่องวันเวลานะคะอ่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนถามนะคะ what's the date today what's the date today ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่ it's August the first i s グスティフ s t スト。ああ、r こまいわ、わにわに、คにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わにわに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わ o わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わに、わ I was born on the first of August, nineteen eighty.Kaku, chanya, good one, hinung singha, home na, a cosaw, nung kao bed soon.Well, happy birthday!Well, happy b i r t h d a y n a n k i k w a s t h a n k you, k a k u m และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์เว็บดอทอีเกนจอยดอทบล็อกสปอร์ตดอทคอมสแลปเดย์แอนเดทค่ะค่ะวันนี้รายการของเราเนะะี่ยค่ะก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการอังกฤษเราวอยู่ได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี